เพิ่งลำเลียงอาหารเสร็จไปน้ำจิตน้ำใจของคณะสภายาดโยมทายกทายิกาแปลว่าผู้ให้ให้ความให้สาสะให้สถานที่ให้โอกาสเรื่องต้นก็คือองค์กรของ <c oughs> หมหาชนก็คือทีโอที เป็นองคอ์กรของส่วนรวมหรือว่ามหาความเป็นใหญ่อยู่ที่หมู่ชนทั้งหลายมารวมตัวกันอืมการสื่อสารตรรคะนามาคมจนกรทั้งกลายาเป็นองคอ์กรซึ่งเป็นความเป็นปึกแผ่านหน้านามั่นคงอจากนั้นก็นมาคิดดําเผลตรวจสอบในความเป็นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันขององคอ์กรความสมัครสมานสามัคคี อาศัยกระบวนการที่การไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าบุญกุศลถึงวัดชมรมของพวกเราท่านโดอุบัติขึ้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกจนทถึงเจริญก้าวหน้าเติบโ ต, ตมาจนถึงวาระหนีทุกวันนี้ส่งทายกันมาเรื่อยมอบหมายกันมาเรื่อยเป็นรุ่นเป็นขราวเป็นวาระก็เพื่อความผาสุก ข, ของ มูวนมหาชนเป็นที่ตั้งอย่างที่ว่านั้นด้นกิริยาการด้วยความสานึกหรือความตรึกตรองใครควรดูแลว่าวิธีการอย่างนี้ล่ะจะเป็นที่หล่อหลอมรวมจิตรวมใจรวมจิตรวมใจร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในขณะเดียวกันถ้าไม่ระวังรักษากิริยาการที่ขามาทํากิจกรรซึ่งเป็นงานบุญแท้ ถ้าทั้งพลาดเผลอหรอด้วยความ <c oughs> รู้เท่าไปถึงการบ้างประมาทพลาดทั้งด้วยความโง่เขลาบ่อยปัญญารู้เท่าไปถึงการอาจจะมีการกระทบกระทั่งกระเทือนถึงทิฏฐิมานะความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนท่านถึงว่าตั้งคําว่าานาจาคะเบื้องตน้นเป็นถึงกานเป็นฉนวนอย่ามาเอาผิดเอาถูก ย่ามาเอาชนะคัดคานอย่ามาเอาเป็นเรื่องราวเพื่อให้เกิดความขัดเคืองขุนข้องหมองใจซึ่งมันหมองหมองมัวมัวมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นกิริยาอาการที่เรามาสู่แต่ละที่แต่ละทางแต่ละสถานที่ที่ไปชําระฉลงังไปเพื่อการชําระเ <c oughs> ราไปทําบุญทําทานธรรมดาธรรมดาถึงจะไม่ใช่มหารบริจาคทานก็เถอะก็เป็นทานนะจักะออกจาก สิ่งที่เรามีก็คือทิฏฐิมานะความห่วงความห่วงความยึดมั่นถือมั่นห่วงห่วงอะไรอวันทั้งนั้นแหละทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองจะมากจะน้อยก็เป็นสมัติของเราโดยความชอบธรรมเราน้อมนําออกมาสงฆ์ข้อสงหาจารค้าเสียสละแบ่งปันแต่ละครั้งแต่ละคราวย่ากระเทือนอย่าง น, น้อยกระเทือนถึงความห่วงความห่วงได้หรอเหมาะไหมมันจะไม่สิ้นเปลืองเหรือ มันจะมหมดไปจากปากจากท้องเจ้าของจากปากลูกปากหลานสู้บริโภคใช้สอยเองไม่ดีกว่าหรือเอาไปก็เป็นส่วนเกินเลื้อเฟื่อเราเห็นมาแล้วนั่นเห็นไหมเราไปเห็นมาแล้วแต่ละครั้งแต่ละคราวเนื้อเฟื่อไปทําไมนั่นเจ้าของห่วงห่วงกิจเนตรทีเหนียวยังไม่รู้ตัวว่าเจ้าของ คิดอย่างนั้นน่ะคิดแคบๆอย่างนั้นน่ะเพราะต้นทุนเดิมก็คือความคับแค บ, บตีตันมัชฉริยตติทีเหนียวห่วงอ่วงเป็นธรรมดาผลความแห่งความมัชฉริยะเป็นอย่างไรผลของความคิดตติทีเหนียวมัชฉริยะและเหยื่อละอ้อพิถีพิถันในความถือครองยึดของจ้าทั่งไม่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมัชฉริยะแค่จะทำบุญทาทานมันก็ยังเอา สิ่งเหล่านั้นมาหลอกจนกระทั่งเจ้าของก้าวขาไม่ออกทําไม่ได้เพราะทํำไปทําไมเหลือเฟือส่วนเกินไอ้ส่วนที่ว่ามากมายนั้นมันมีของเราบ้างไมคนั่นคิดอย่างนั้นถ้ายังไม่มีของเราก็อจองปลงวางภาร ะ, ระเพื่อให้มีส่วนร่วมของความเป็นเราทำก็ทํำด้วยความอาจฐานร่าเริงเ ร, งเรื่อนเบันเทิงจิตบังเทิงใจเพราะอะไรเพราะเรามีส่วนร่วมในสิ่งเดียวมากๆนั้น มาก็มีหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือของเราภูมิ อ, อกภูมิใจพ อ, ออกพอใจะในส่วนถึงจะมันเป็นส่วนพอส่วนเกินส่วนต่างก็ให้มันทําร้ายทําลายสิ่งที่มันกัดกร่อนภายในจิตในใจก็คื อ, คอมัจฉริยะอานอน์เห็นไหมน่นะเด็กกลังครุกปนอยู่นั้นเห็นพระเจ้าข้านั่นแหละมหาเสพถีชื่อนั้นชื่อนั้นเพิ่งตายไปปีที่แล้วนี่บานนี้สมบัติเขายัง จัดสรรปันส่วนยังไม่เสร็จเจ้าของมาเกิดแนละ้วเกิดในตระกูลของอาณาถาคือเป็นลูกของคนขอทานสมบัติที่เต็มบ้านตเต็มเมืองอยู่ในเมืองนั้นเป็นสมบัติของเศรษฐีคนนี้แหละอา น, นุนทําไมเป็นเช่นนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะสมัยเป็นเศรษฐีเป็นอย่างไรรู้กันทั้งเมืองมัชเริยเศรษฐีเศรษฐีคิดต่อไหน ไม่ใช้กระทั่งเจ้าของไม่บริโภคใช้สอยเพราะความห่วงหวัหวง่หวงความห่วงความหวงความผูกพันกับสมบัติทิ่แท้มันมิบัติตั้งแต่ตอนนั้นแ่ะะจิตใจต้องการความเป็นอย่างนั้นกรรมเลยตกแต่งให้เพราะชาติถัดมาแค่นั้นแะกลายเป็นคนทุกขะยากไร้เขินใจกลายเป็นเสียดจนไร้พ่ายใ น, ยในจิตดวงนั้น เรื่องราวที่ท่านกล่าวในพระคัมภีร์มีอะไรหล่ะเสถียรคนนั้นมาอยู่ในท้องของคนขอทานคนขอทานตระกูลขอทานม่านขอทานห้าร้อยลังคาเรือนกระทบกระเทือนไปหมดรัศม์รัศสารกระทบเระเทือนเพราะจิตใจซึ่งเป็นสเสนียดจันไรามาถือครองอยู่ในร่างเขาปลายเป็นความวุ่นวายขึ้นมาไปขอทานปกติก็ไม่ได้เขาได้ จำกัดสิทธิของคนขอทานให้อยู่เฝ้าบ้านซะเพราะไปก็ทําความเสื่อมเสียสทําความวิ่บัติจิบหายทําความเป็นเสนียดใจไรต่อวิชาชีพ ก, ก็คือขอทานเมื่อแต่ขอทานเขาขอเป็นปกติก็ยังขอไม่ได้เพราะเสนียดใจไรมาอยู่ที่เขาผลสุดท้ายพอคลอดมาเขาก็ทิ้งไว้นั่งครุกฝุ่นอยู่นั่นแหละพระองค์ท่านเสด็จไปกับพระอานนุ์จะมาตรัสเรื่องที่ว่าความเป็นโทษของความเป็นโทษตามความเป็นจริง ก็คือความมัจฉริยตะตั้งนี่ยังนั่งกลายเป็นเป็นที่เรื่องเลือล่ําเลือมาดแต่อยู่ในพระคัมภีร์เวลานี้เรื่องนี้ก็เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายทําได้เวลานี้พวกเราท่านทั้งหลายถึงว่าอ้างถึงขู่กรณีก็คือปฏิคาหกคือผู้รับเราถึงอ้างถึงพระถนัดไรอ้างถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อ้างถึงสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างสิ่งใดก็ตาม เป็นองค์ประกอบพร้อมที่จะมาช่วยกระตุ้นเตือนให้เกิดความองค์อาจกระหานในการกระทาคุณงามความดีนั้นๆจงประคับประคองจงรักษาไวเ้เธิดทุนเหนือเก้าเหนือกระหม่อมเถอะพวกเราถึงตั้งอกตั้งใจว่าพุทธังทมนางสังขังสารนางังขจฉามิปฏิยานตนว่าเป็นทาสเป็นผู้ที่จะน้อมรับพระวจนจากพระองค์ท่านหรือว่าพระธรรม จากนั้มาประพฤติปฏิบัติสุยยสปฏิอุชยานยามิจิปติปนพระคัมภีรโสสาวะกะสังโฆโมชนนั้นนนจนทั้งกลายมาเป็นเรื่องราวของเราเองก็คือผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นแหะพวกเราหาทรัพย์หาสมบัติหาจนทั้งกลายเป็นกลายมาเป็นอริยสมบัติหรียว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะพวกเราตั้งโรงงานสร้างโรงงานผลิตมักเพื่อผล เรียดมากเพื่อผลมักก็คือช่องทางทางดําเนินเพื่อผลอันเป็นความมุ่งมา่นปรารถนาของยอดปรารถนาคือความสุขยิ่งกว่าอะไรก็คือพระบรมสุขนัตถิสันติปรางสุขขังความสุขอื่นใดจะยิ่งกว่าความสงบสงบจริงๆคือสงบระ ง, งับจากปาประธรรมไม่ฟุง้งเฟ้อเหือไม่ฟุ้งซ่านวน ว, นวายไม่มีความก่อกวนวกวนเวียนว่ายแต่เกิดในความเป็นอยู่เป็นไปเพราะอะไรเพราะรักเพราะฉังเพราะรักเพราะชัางรักก็เกิดความล้มโบโลภมากช่างก็เกิดความรังเกียจ เนี่ยฉันเกิดความผักใสคว้าไปผักใสไปและลักษณะทั้งควา้าทั้งผักไสเอาไปมากลายเป็นธุระเป็นจิตการวัดฝุ่นขุดมัววอกวนเวียนวายใจเกิดอยุ่นั้นท่านหนูหาควา ม, มายุติไม่ได้ท่านหนูหาความบาดเป็นแหล่งของความสุขกันจริงเก็คือบรมสุกก็คือความสงบพระงับพระงับจากความโรบโมโทสันที่ว่านันนั่นเลยว่าเป็นบรมสุขเป็นความสุขสําหรับทุกๆคน จานนี้ก็พกากันอนุโมทนาจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนทิสาครังเอวะเมวะอิตโตเทนังเตตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมังคิปเมวาสมิตจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรารโสยะถามานิโชติ ระโสยถาสัพพิโยวิวัชันโตสัพโรโคโวินสโตมาเตพวัตมันตรายโสขิธีคาโยโควะอภิวาธนาสศิลิสนิจจางุทธาปจายิโนจัตตารโอธรมาวัานติอายุวันโนสุขังภาลังอยายุวักาธนวัตกาสิริวัตกา ยาสวัตกาพลาวัตกาวันณวัตกาสุขวัตกาโหตุสัพพธาทุกขโรคาพยาเวลาโุขาสัตตุจุปัถวานะในการตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาเฉยสิทธิ์ทนังลาพังโสทิภขยามสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคัขขงวุธีเจยศวะสัตวศสาจะอายุจ่ ทีว um mm. uh ัสิทีพวันโตเตผวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสดีพวันโตเตสาธุสาธุเข้าประหารที่ เหลือไปเน่ะประกันบริโภคได้ตามอัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ละคนขอเป็นสิริมงคลจะบังเกิด